b o ๊กท si ูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่พอร์ a u ์ร็องขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่เอ็นพอสชันพอมฟริตมีเ และมายองเนสสองที่และไส้กร o กกับและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่และไส้กรอกกับมัสตาร a ดสามี่ัมี่กอัะไกรอบะไ้รบาะ้มาีะั่แไมีะั่ไมะ คุณมีดอกกระหล่ำไหมคะ Ha r det ä blomkål. ดิฉันชอบทานข้าวโพดหวาน Jag liker m a j s, er <S ดิฉันชอบทานแตงกวา Jag liker agurk. ดิฉันชอบทานมะเขือเทศ Jag liker tomater. คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะลีกิดูอุสโซพิรุลย์คุณชอบทานกระหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะลีกิดูอุสโซซิร์โคลคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะ l i กิดูอุสโซลินเซอรคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ คุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะผู้ชายชอบทานบร o กโคลีคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะผู้ชายชอบทานพริกหวานดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ยันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ดิฉันไม่ชอบมะกอก ดิฉันไม่ชอบเห็ด liker i ชอ e เ o p er so p